พระบรมครูผู้ไม่มีการระยะระดับขนาดแต่นครสามีหรือเจ้าเมือง ก็ยังโปรดปรานพอใจสมุทัยว่าเป็นผู้สร้างสารรค์ความสุขความเจริญต่างๆสมชื่อว่าสมุทัยที่จเจ้าเมืองให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่งความสุขต่างๆเพราะยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์หรือเดือดร้อนแต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าชไนจึงได้เกิดมีความทุกข์เดือดร้อนกันมากขึ้นทุกทีมองเห็นผลถนัดขึ้น แต่ยังคลำหาเหตุไม่พบคล้ายกับพอมองเห็นรางๆแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรฝ่ายคู่บา ร, รมีผู้ที่ได้เข้ามาตักเตือนแม้จะรู้อยู่เต็มใจว่าใครเป็นต้นเหตุก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอกเพราะเจ้าเมืองยังไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดด้วยยังโปรดปรานกันมากยังเห็นว่าดีด้วยประราการทั้งปวงการที่จะไปชี้หน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดี ก็เท่ากับไปชี้หน้าผู้นั้นเองด้วยเหมือนกันแต่ก็จำเป็นที่จะต้องหาวิธีทาให้เจ้าเมืองได้รู้ได้เห็นขึ้นด้วยตัวเองคนครสามีเมื่อยังคิดไม่เห็นก็ถามปรึกษาคู่บา ร, รมีว่าทำไมถึงได้เกิดผลเช่นนี้และจะแก้ไขยอย่างไรคู่บา ร, รมีตอบว่าจะไปหาเรือพระบรมครูก่อนถามว่าพระบรมครูคือใคร ตอบว่าคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถามว่าท่านคือผู้ใดเล่าตอบว่าท่านคือผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงสั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้ตามตั้งพระศาสนาขึ้นที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาถามว่าพระธรรมคืออะไรเล่าตอบว่าพระธรรมคือสัจจะความจรงิงหรือของจริงที่เมื่อรู้แล้วพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ ถามว่าก็ทุกเดือดร้อนทั้งปวงของจิตตะนครนนี้เมื่อได้รู้พระธรรมแล้วจะพ้นได้หรือไม่ตอบว่าพ้นได้แน่นอนถามว่าถ้าเช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมดีแน่แต่มีพยานหรือไม่ว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมจริงตอบว่ามีพยานแน่นอนต่อไปจะเรียกพระองค์ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็ได้ พระบรมครูก็ได้ถามว่าพยานคือใครเล่าตอบว่าคือพระสงฆ์ได้แก่หมู่ชนที่ได้ฟังคาสั่งสอนแล้วได้รู้ตามได้พ้นทุกตามพระบรมครูซึ่งมีอยู่จำนวนมากนกครสามีได้ฟังดังนั้นเกิดปีติโสมนัตในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กล่าวสรรเสริญคู่บา ร, รมีว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ ผู้ได้แนะนําให้ได้ยินได้ฟังคําว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพียงเท่านี้ก็เริ่มได้รับความสบายใจจึงถามต่อไปว่าเวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหนจะไปเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่ตอบว่าในโลกของกายมนุษย์พระองค์ได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วแต่ในจิตนครพระองค์ยังประทับอยู่ ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้าพระองค์ก็ให้ปฏิบัติจนเห็นธรรมดังที่ตรัสสั่งไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราฉะนั้นถ้าไม่เห็นธรรมก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลที่สุดไปเท่าไหร่ก็ไม่ถึงแต่ถ้าเห็นธรรมก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ใกล้ที่สุดแต่อันที่จริงไม่มีเวลาอันเกี่ยวแก่ออดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีการไปมาเกี่ยวแก่ ไกลใกล้ไม่มีพื้นที่ระดับขนาดอันเกี่ยวกับกว้างยาวตื้นลึกหนาบางเป็นต้นบรรดาพุทธศาสนิกผู้มาบริหารจิตนั้นที่จริงก็คือผู้พยายามจะแลให้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองบริหารจิตได้เพียงใดก็จะสามารถเห็นพระพุทธเจ้าได้เพียงนั้นคือสำหรับผู้บริหารจิตได้ดีมาก ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าใกล้มากชัดมากผู้บริหารจิตได้ดีน้อยก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าไกลมากไม่ชัดเลยเพราะการบริหารจิตคือการทำจิตของตนให้สูงขึ้นดีขึ้นพ้นจากกิเลสยิ่งขึ้นซึ่งจิตของผู้ใดเป็นเช่นไรผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเองเมื่อผู้ใดเห็นความใสสว่างในจิตตนเพียงใด ก็จะพอเข้าใจถึงความสว่างสวัยแห่งพระาริทัยของพระพุทธเจ้าเพียงนั้นนี่แหละที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าคู่บารมีแนะนำให้ใช้ศีลหิริโอตปะคู่บารมีของเจ้าเมืองจิตนครก็ได้เข้าเฝ้าพระบรมครูกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตนครตลอดถึง ที่ได้เข้าเตือนนครสามีและได้แจ้งแก่นครสามีว่าจะกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าอะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดผลเดือดร้อนต่างๆฝ่ายองค์พระบรมครูผู้ทรงประกอบด้วยทัศภรรยานคือพระยานที่เป็นกําลังสิประการผู้ทรงรู้ทรงเห็นจิตนครทั้งหมดผู้ตรัสรู้ จตุราริยศัทผู้ทรงชนะมารและเสนาทรงทราบ พ, พระยานเหตุผลที่เกิดขึ้นในจิตนครท่วนทั่วทุกประการทรงมีพระกรุณาในนครสามีผู้เป็นเจ้าของเมืองจิตนครซึ่งนับเข้าไว้ในเวนยนิกรคือหมู่แห่งชนผู้ที่พระองค์จะพึงทรงแนะนำสั่งสอน ได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าเห็นพระองค์สักคราวหนึ่งต่อไปแต่เวลาปัจจุบันขณะนั้นนครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสงไม่อาจที่จะรู้จะเห็นพระองค์และทำที่ละเอียดลุ่มลึกได้พระสมุทัยยังครอบงาจิตใจให้หลงผิดอยู่อย่างลึกซึ้งจำต้องอาศัยคู่บรารมีช่วยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด ไม่ทอดทิ้งหรือทอดทุราเสียเหมือนอย่างแต่ก่อนเมื่อนครสามีได้มีคู่บรารมีอยู่ใกล้มีกายผุดผ่องมีแสงขึ้นก็ค่อยๆตักเตือนให้ดูเหตุผลที่ใกล้ๆหรือที่ตื่นแล้วเตือนให้ดูไกลออกไปหรือให้ดูที่ลุ่มลึกละเอียดเข้าไปโดยลําดับก็จะจับตัวต้นเหตุที่สําคัญได้ในที่สุดพระบรมครูได้ตรัส พระธานพระธรรมโมวาดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อคู่บา ร, รมีจะได้นําไปช่วยนครสามีให้พ้นภัยพิบัติที่กําลังเกิดขึ้นในจิตนครคู่บา ร, รมีได้รับพระพุทธโอวาทแล้วเข้าพบนครสามีแล้วกล่าวว่าพระบรมครูให้ตั้งกระทู้ถามสองข้อก่อนว่า 1. โลโลภความโลภอยากได้โทโส ความโกรธแค้นขัดเคืองโมโหความหลงมีคุณหรือมีโทษสองคนที่โลภโกรธหลงแล้วจึงฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือผิดสามีเขาบ้างพูดเท็จหลอกลวงเขาบ้างดื่มน้ำเมาอันเป็นฐานประมาทบ้างเป็นคนดีหรือคนชั่ว มีคุณหรือมีโทษนักอสามีได้ฟังดังนั้นแล้วมองเห็นเหตุผลทันทีว่าไม่ดีมีโทษทั้งสองข้อเหตุผลได้มีอยู่ในกระทู้ทั้งสองข้อนี้แล้วคือโล p o โทโสโมโหเป็นตัวมูลเหตุการฆ่าเขาลักของเขาเป็นต้นดังนี้เรียกว่าทุจริตหรือคอร์รัปชันเป็นผลแห่งมูลเหตุทั้งสามนั้น และเป็นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนต่างๆนครสามีเริ่มจับเหตุผลได้ประจักษ์ใจแล้วยกมือพนมถวายนมัสศการพระบรมครูผู้ประธานกระทุ้ให้ได้คิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการบูชาชนทั้งหลายผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดนครสามีผู้มีความเคารพในองค์พระบรมครูเกิดขึ้น ก็เช่นเดียวกับได้ทำบูชาพระบรมครูผู้ควรบูชาย่อมจะได้รับมงคลอันสูงสุดนั่นคือย่อมจะไม่ตกเป็นผู้หลงเชื่อสมุทัยอย่างงมงายจนถึงยอมเป็นทาสของสมุทยัยให้สมุทัยมีอำนาจครอบครองอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงตลอดไปบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้รู้จักบูชาท่านผู้ควรบูชา รู้จักเคารพท่านผู้ควรเคารพปฏิบัติให้เหมาะให้ควรก็จะเป็นผู้มีมงคลอันสูงสุดสมดังคำของพระพุทธเจ้าศีลวินัยรักษาไตรทวานหิริโอต ป, ปะเป็นนครบาลเพื่อแก้ไขความยุ่งยากของจิตนครที่เกิดจากการคุมอำนาจของสมุททยและพักพวก คู่บารมีได้แนะนำนครสามีให้เรียกศีลฮิริโอต ป, ปะเข้าพบด่วนเมื่อได้รับความยินยอมเห็นชอบจากนครสามีแล้วคู่บารมีได้นำศีลและฮิริโอต ป, ปะเข้าพบนครสามีทันทีนะครสามีได้สอบถามบุคคลทั้งสาและบุคคลทั้งสามได้ตอบดังนี้ถามว่า ไหนศีลจะทำอย่างไรตอบว่าศีลจะทำให้เกิดความงดเว้นจากทุจริตทั้งหลายให้ประพฤติในทางสุจริตโดยไตรทวาลคือกายวาจาใจถามว่าไหนหิริโอตตะจะทำอย่างไรตอบว่าหิริจะทำให้จิตใจมีความละอายต่อบาปทุจริตรังเกียจบาปทุจริต เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้กําลังรักสวยงามรังเกียจต่อสิ่งสุขรกทั้งหลายไม่ปรารถนาจะถูกต้องโอต ป, ปะจะทําให้จิตใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปทุจริตเหมือนอย่างคนกลัวต่ อ, อสารพิษคือกลัวต่อผลของการจะถูกงูกัดกล่าวคือความตายถามว่าเจอขอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเล่า ตอบว่าศีลจะขอผู้ช่วยชื่อว่าวินยัยและขอไตรทวารเป็นที่ทํางานส่วนฮิริโอตปะจะขอความละอายและความกลัวของจิตใจมาเป็นเครื่องมือถามว่าวินัยเป็นอะไรตอบว่าเป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นไว้สําหรับบ้านเมืองดังที่เรียกว่ากฎหมายก็มีเป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็มี และคู่บารมีได้ช่วยชีย้แจงว่าพระบรมครูได้ทรงตั้งหิริโอตปะทั้งคู่นี้ให้เป็นโลกบาลที่แปลว่าผู้คุ้มครองโลกฉะนั้นก็ขอให้เจ้าเมืองจิตตนครรับสีและวินัยมาเป็นผู้รักษาไตรทวารของจิตตนครและตั้งให้หิริโอตปะเป็นนครบาลของจิตตนครเจ้าเมืองก็ยินยอมตกลงในที่ ต่อหน้าคู่บา ร, รมีครั้นได้รับหน้าที่แล้วศีและวินัยก็เข้าตั้งสำนักงานรักษาไตรทวาลของจิตตนครวินัยก็รวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าอันเหมาะแก่ภาวะสําหรับชาวจิตตนครปฏิบัติศีลชักนําส่งเสริมคนให้รักษาวินยัยคือให้ปฏิบัติตามกฎหมายและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า คอยห้ามคนให้งดเว้นจากความล่วงเกินละเมิดกฎหมายและพระบัญญัติช่วยกันรักษาไตรทวารของจิตตนครไว้ก่อนที่ศีและวินัยเข้ามานั้นกฎหมายถึงจะมีก็เหมือนไม่มีพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกล่าวถึงพวกโจรผู้ร้ายคือทุจริตต่างๆพากันเข้ามาทางไตรทวาลของจิตตนครคือทวารกาย ทวานวาจาทวานใจที่เรียกตามภาษาของจิตนครว่ากายทวานวจีทวานมโนทวานเข้าลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นสะดมชาวจิตนคร อ, อยู่เนืองเนืองทำให้เกิดความเดือดร้อนระสาประสายครั้งเมื่อศีและวินัยเข้ามารักษาไตรทวานของเมืองอยู่พวกผู้ร้ายต่างๆก็เข้ามาไม่ได้ และอาศัยนครบาลช่วยตรวจตราสอดส่องอีกส่วนหนึ่งทำให้ผู้ที่จะคิดร้ายเกิดความละอายเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทำความผิดต่างๆทำให้เกิดความอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วจิตนารวันขึ้นปีใหม่ในจิตนารปีใหม่แห่งชาวโลกทั่วไปได้ย่างมาถึง ได้มีการแสดงความยินดีเรื่องเริงกันเป็นพิเศษฝ่ายในจิตนครก็มีการขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกันและได้มีบุคคลต่างๆกล่าวคำปราศัยในโอกาสนี้เป็นต้นว่านครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตนครได้กล่าวคำปราศัยว่าจิตนครได้ดำรงผ่านมาอีกปีหนึ่งในขวบปีที่ผ่านมานั้นได้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาก ทั้งในด้านสุขทั้งในด้านทุกข์ก็ได้พยายามแก้ไขเหตุการณ์ในด้านทุกข์ให้กลับเป็นสุขอย่างเต็มความสามารถขอขอบใจผู้ที่ช่วยทั้งหลายเช่นสมุทัยและพักพวกและคู่บา ร, รมีกับพรกพวกในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตนครสมุทยได้กล่าวปราศัยว่า สมุทรไทยเป็นตัวแห่งความสุขอย่าเข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์สถานรื่นเริงบันเทิงสนุกทั้งปวงสมุทรไทยสร้างขึ้นทั้งนั้นได้สร้างภาพยนตร์ให้ดูกันทั้งเมืองตลอดวันคืนปีใหม่จะสร้างสิ่งที่บำรุงสุขสนุกสนานให้มากขึ้นไปอีกและอย่าได้กลัวต่อโลโพโทโสโมโหและพรกพวกต่างช่วยกันสร้างความมั่งมีสีสุขทั้งนั้น ไม่ใช่เพราะโลโพดอกหรือจึงพากันร่ำรวยเป็นเศรษฐีไปตามกันถ้าใครไม่คบหากับโลโพก็ยากที่จะเป็นเศรษฐีไม่ใช่เพราะโทโสดอกหรือจึงมีเดชอํานาจเป็นที่กลัวเกรงของใครๆไม่ใช่เพราะโมโหดกหรือจึงมีความสุขสนุกสนานอยู่ในโลกได้ในปีใหม่ใครปรารถนาสุขก็ ให้หมันเชื่อฟังสมุทรไทยคบหากับโลโพโทโสโมโหให้มากขึ้นเถิดฝ่ายคู่บา ร, รมีได้ปราศัยว่าให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่าพิจารณาดูให้เห็นเหตุผลอย่าด่วนเชื่อฟังใครง่ายๆแม้ที่คู่บา ร, รมีกล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อก่อนให้พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อนทุกคนมีหัวคิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขอให้ยังคิด ทุกเดือดร้อนต่างๆในจิตนครเกิดจากการที่ทำขึ้นและการที่ทำขึ้นนั้นเล่าเกิดจากอะไรถ้าไม่ใช่จากจิตใจที่ประกอบด้วยโลภโกรธหลงฉะนั้นในปีใหม่ก็ให้รู้จักยับยั้งจิตใจอย่ายอมต่อความโลภโกรธหลงจะมีความสุขกว่าปีเก่าแน่นอนส่วนศีล ได้ปราใสให้พากันประพฤติกดเว้นทุจริตทางไตรทวารหิริโอต ป, ปะกล่าวปราใสให้พากันละอายรังเกียจความชั่วให้พากันเกรงกลัวต่อความชั่วรายทั้งปวงจะอย่ากลัวต่อบุญที่เป็นความดีหรือการกระทำความดีทั้งหลายดังนี้จะมีความสุขยิ่งขึ้นในปีใหม่แน่นอนในนครต่างๆของโลก คำปราศัยของใครๆมักจะตกแต่งเป็นอย่างดีเช่นแม้จะอยากได้ก็ตกแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ถึงจะโกรธก็ตกแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่โกรธแต่ในจิตนคการต่างแสดงกันโดยเปิดเผยดังจะเรียกว่าโดยสัญชาตญาณหรืออะไรทํานองนี้ฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาทความว่าพึงอบรมใจให้มีเมตตา แผ่ไปในโลกทั้งปวงเถิดพระสุรเสียงดังไปทั่วจิตนครแต่ก็มีข้อแปลกว่าหาได้ยินกันทั่วไปไหมทั้งที่พระสุรเสียงก็ดังพอได้ยินถนัดสมุทรไทยยึดไตรทวารให้ทุจริตฝ่ายสมุทรไทยกับพักพวกเมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็มีความตกใจ เกรงว่าตนจะสิ้นอำนาจครองใจชาวจิตนครเห็นว่าจำจะต้องกำจัดศีลและหิริโอต ป, ปะออกไปให้ผลทางมีให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับนครสามีโอกาสที่จะกำจัดได้ก็คือเมื่อคู่บา ร, รมีถอยห่างออกไปจากนครสามีเพราะในโอกาสที่คู่บา ร, รมีอยู่กับนครสามีสมุทัยก็ต้องถอยห่างออกไปเมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึง สมุไทยก็เข้าหานาครสามีทันทีและกล่าวฟ้องว่าศีลและหิริอตต ป, ปะได้มาทำให้จิตนครเสื่อมโทรมทรัพยากรลดถอยความเจริญทางด้านต่างๆชะงักงันบ้านเมืองเงียบเหงาหมดความสุขสนุกสนานประชาชนชาวจิตตนครต่างหมดอิสรภาพต้องถูกควบคุมอยู่ทุกประตูจะทำอะไรก็ขัดข้องทั้งนั้น ทุกคนพากันอยู่เหมือนอย่างถูกจากัดบริเวณอันคับแคบหมดความสุขสนุกสนานไปตามกันและพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกใช้สีและเิริโอตปปเสียสมุทัยได้ชี้แจงต่อไปว่าเพราะสีนั่นเทียวทำให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้จึงทำให้เสียโอกาสที่จะร่ารวยการงานหลายอย่างก็ทำไม่ได้ทั้งการงานที่ทำอยู่แล้วหลายอย่างก็ต้องหยุดเลิก หิริโอตา ป, ปะก็ทําให้เป็นคนมักรังเกียจมักกลัวดูอะไรอะไรเป็นบาปน่ารังเกียจน่ากลัวไปหมดนครสามีเมื่ออยู่กับสมุทยัยฟังคําของสมุทยัยก็ชักเอ็เอียงไปตามสมุทยัยใจหนึ่งคิดจะสั่งพักหน้าที่ศีลและหิริโอตา ป, ปะเสียทั้งหมดอีกใจหนึ่งก็ยังเกรงใจคู่บา ร, รมีผู้แนะนํา ครั้นสมุทรไทยเห็นนครสามีเกิดความลังเลรู้ว่าชักจะเอ็นเอียงมาทั้งฝ่ายตนแล้วจึงเพิ่มเติมอารมณ์เก่นครสามีให้มากขึ้นปรากฏเหมือนอย่างภาพยนตร์ชักชวนให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่างให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์บางอย่างให้เคลบิบเคลิ้มหลงไหลในอารมณ์บางอย่างซึ่งหัวโจกทั้งสามคือโลโพโทโสโมโห ได้โอกาสก็เข้าแทรกผสมสมุทยได้โปรยอารมณ์ให้ฟุ้งเป็นอย่างพายุฝุ่นไปตลบทั้งเมืองชาวจิตนคกรก็พากันติดอารมณ์เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างภาพยนตร์หัวโจกทั้งสามก็เข้าแทรกผสมทั้งเมืองมิใช่แต่เท่านี้แม้ตันหาร8อกิเลสพันหก็พากันได้โอกาสตื่นตัว เข้าแทรกผสมวุ่นวายไปถึงตอนนี้ศีลและเฮริโอตตปะก็ถูกสั่งพักหน้าที่สมุทัยกับพักพวกก็เข้ายึดไตรทราวานของจิตตนครส่งลูกมือคือกายธุจริตให้ดําเนินการทางกายธวาลส่งวจีธุจริตให้ดําเนินการทางว จ, จีทวาลส่งมโนธุจริตให้ดําเนินการทางมโนทาวาล จิตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆเช่นเดียวกันหรือน่าจะยิ่งกว่าในบ้านเมืองที่เรียกว่าเจริญเจริญในโลกปัจจุบันสุราพาชีนารีบุรุษกีลาบัตมีทั่วไปผู้คนร่ำรวยเร็วยากจนเร็วเพราะไม่ต้องคอยงดเว้นอะไรสุดแต่อารมณ์พาไปและสุดแต่โอกาสอำนวยสีและหิริโอตปะกลายเป็นสิ่งที่หายาก ถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจหรือเป็นที่หัวเราะเยาะหรือซ้ำร้ายถูกหมิ่นแคลนสมุทยจึงกลับมีอำนาจครองใจชาวจิตตนครได้อีกโดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการผูกครองใจคนเป็นเหตุให้ศีลและฮิริโอตปปะต้องหลีกถอยไปไกลความจริงก็เป็นเช่นนั้นในใจของบุคคลทุกคนเมื่อมีความชั่วครองอยู่ ความดีก็จะไม่มีหรือเมื่อมีความดีครองอยู่ความชั่วก็จะไม่มีการบริหารจิตคือการพยายามจะทําให้ใจมีความดีครองให้ความชั่วไม่มีทั้งนี้ผลย่อมเป็นไปตามควรแก่การปฏิบัติของแต่ละคนศีลและฮิริโอตปะกลับเข้ารับหน้าที่และเพิ่มกําลัง เมื่อสมุทรไทยกลับมีอำนาจครองใจชาวจิตตนครส่งทุจริตทั้ง3ยึดไตรทวารของจิตตนครตลอดถึงส่งกิเลสตัณหาทั้งปวงมีจํานวนมากมายออกคุมทวารแห่งการสื่อสารของจิตตนครทั้งชั้นนอกชั้นในแทรกอารมณ์เข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลายยั่วยวนใจชาวจิตตนครให้เกิดความติดความเพลิดเพลินยินดี พากลืมศีลและเีริโอตาปะแต่ต่อมาไม่ช้าเหตุพิบัติต่างๆก็เกิดขึ้นเช่นดินฟ้าอากาศผันผวนผิดปกติประทุศกรรมทวีมากขึ้นคนร้ายมีขึ้นทั่วไปอาชีพของคนชั้นกรรมอาชีพทั่วไปลาบากขัดข้องมากขึ้นเกิดความยากจนขัดสนขึ้นในชนชั้นที่เป็นกระดูกสันหลังของจิตนครทั่วไป เมื่อเหตุพิบัติทั้งหลายปรากฏชัดขึ้นชาวจิตตนครก็กลับระลึกถึงศีลและหิริอตตปะขึ้นอีกเป็นเหตุให้สมุทรไทยเกิดความหวั่นไหวเกรงจะถูกพิสูจน์ตามสัจจะคือความจริงจึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้าหลบซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนว่องไวคู่บรารมีก็ได้แต่เข้าหาคนครสามีต่อว่าในเรื่องที่พักหน้าที่ศีล และเหริโอตาปะทั้งหมดจึงเกิดเหตุพิบัติต่างๆปรากฏอยู่ทั่วไปจนจิตนครจะเกิดเป็นไฟอยู่แล้วความเจริญทางวัตถุต่างๆหาทําให้เกิดความสุขที่แท้จริงไหมเพราะอบายมุกและทุจริตต่างๆที่มีอยู่ทั่วไปล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และที่ว่าจิตนครร่ารวยขึ้นประชาชนมีรายได้ดีขึ้นอยู่ดีกินดีขึ้น ถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยากจนลงก็ชื่อว่าขัดสนนั่นเองนักรสามีเมื่อเผชิญหน้ากับคู่บรารมีก็มองเห็นความจริงตามที่คู่บรารมีกล่าวและเรียกร้องให้ศีลและเีริโอตปะกลับมาทำหน้าที่ต่อไปได้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งได้โปรดประทานศีลและเฮริโอตปะมา ฝ่ายคู่บา ร, รมีรู้สึกว่าละพังศีลกับหิริโอตปะมีกำลังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับสมุไทยและพักพวกจำจะต้องเพิ่มกำลังเข้ามาอีกจึงเสนอนครสามีขอเรียกใช้เข้ามาประจาการช่วยเหลืออีก3คือ 1. อินทรีสองวร 2. สติสมปชัญญา 3. สันโดษนะครสามีถามว่า ทั้งสามนี้สามารถอย่างไรจะให้ทำหน้าที่อะไรตอบว่าอินทรีสังวรมีความสามารถในทางระวังรักษาทางสื่อสารแห่งจิตนครทั้งชั้นนอกชั้นในมิให้คนร้ายหรือค่าศึกศัตรูหมู่ปัจมิตรทั้งปวงเข้ามาจึงควรมอบหน้าที่ให้รักษาทางสื่อสารตามที่ถนัดสติสามัญญามีความสามารถในทางอยู่ยาม เฝ้าอิริยาบททุกแห่งของจิตนครจึงควรมอบหน้าที่ให้เฝ้าอิริยาบททุกแห่งตามที่จัดเจนส่วนสันโดษมีความสามารถในทางจัดปันส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ดินเลือกส่วนไรนาบ้านเรือนเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่างสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับเกิดความพอใจตามส่วนของตนจึงควรมอบหน้าที่ให้เป็นผู้ปันส่วน ให้เกิดความพอใจในส่วนของตนของตนนครสามีได้ตกลงรับให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ในจิตนครทุกคนตามที่คู่บา ร, รมีแนะนําศีลกับเพื่อนวินัยก็เข้าประจํารักษาไตรทวารของจิตนครฝ่ายฮิริโอต ป, ปะก็เข้าประจําหน้าที่เป็นนครบาลของจิตนคร อินทรีสังวรก็เข้ารักษาระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในสติสมปัญญะก็เข้ารักษาเอรียบทของจิตนครทุกแห่งและสันโดษก็เข้าเป็นผู้จัดปันส่วนสิ่งต่างๆโดยสุจริตยุติธรรมแก่ทุกๆคนเมื่อบุคคลของคู่บา ร, รมีเข้าปฏิบัติหน้าที่ในจิตนครเหตุพิบัติต่างๆก็เริ่มลดน้อยถอยลงโดยลาดับ